อาชนาเหมือนกับน้ำทิศ ส, สำหรับช้าล่างส่งที่สกศกซึ่งมีอยู่ภายในกายวาจาใจของเราใจที่พร้อมด้วยความโกลยแจ่กจุดตายอยู่ภายในตัวจะว่าเป็นใจที่สกศกจึงต้องชำระล้าง้วย น้ำทิศศาสนาเึงการสร้างงามความดีทั้งหลายนี่ก็เป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดการฝึกหัดสติปัญญาสิ่งแก้ไขก็ชื่ว่าน้ำทิสะอาดเพราะคำว่าศาสนาธรรมก็ต้องรวมสิ่งแบบนี้เข้าด้วยด้วยสะอาดผ้าที่มืสะอาดก็ไม่นานุา่งหล อะไรอะไรก็ตามที่ไม่สะอาดก็ไม่น่าดูเปิชามเปินใช้ไม่สอยต่างๆที่ไม่สะอาดมันก็ไม่น่าใชา้จึงต้องชําระล้างให้สะอาดก่อนที่จะนํามาใชา้จิตใจเป็นของโสโครกไม่สะอาดมาดั้งเดิมมันเป็นพื้นฐานอันหนึ่งแห่งความไม่สาดที่มีมาประจิตเมื่ การเวลาที่เราทราบดีทราบชัวดังที่เราทราบอยู่เวลานี้จึงต้องพ ย, ยายามชาล้างสิ่งที่สะกดระกดภาในกายวาจจใจของตนความมาสะอาดนี้แหละพาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในพจน้อยพจใหญ่ขึ้นอยู่กับความสาด ไม่สะอาดนี้เป็นมูลฐานของใจการทำหน้นได้มากน้อยก็ืชื่อตัดความทุกข์ยย่นทางเข้ามาเป็นลำดับคำว่าความโกรธแจเจ็กเกบตายก็คือสายทางแห่งความทุกข์ความลำบากนั่นเองครับเราจะสามารถ เก็บกวาดเอาภพชากของเราที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาในวะะนัฏฏานี้แม้เพียงคนเดียวเท่านั้นมารวมตัวเข้ามีรวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูแต่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูภพชาติหรืดูชาตของตัวเองที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่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 แทนดินไทยเรานี่มันจะไม่มีที่กองกันเลยซ้ำไ ป, ไปแล้วมันจะไม่น่ากลัวอย่างไรเราสิ่งอื่นที่เห็นว่าเป็นพิษเป็นภยัยมาเห็นมากมายอะไรเรายังกลัวกันแม้แต่ผีเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวผีก็ยังกลัวกันยิ่งเห็นตัวพิษภัยซึ่งเป็นเรื่องของเราเองเป็นตัวของเราเองไปมากรองไว้ให้เราเห็นทําไมเราจะไม่กลัวเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัว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 ซากของสัตว์ชนิดใดด้วยที่กองข้ า, ขาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวไงถ้าหลบสไหลเป็นนู้นเป็นไหลไม่มีอันใดที่จะน่ากลัวยิ่งกว่าความพบความชาติของเราเล็ดซากผีของเราเราไปกลัวตั้งแต่ผีภายนอกไอ้ผีเรื่องของตัวเองที่ไปแสดงตัวในพบในชาตินั้นๆแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นให้เราเห็นประจักนี้เราไม่ค่อยกลัว ทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีอความกลัวใดในโลกนี้จะจะมากยิ่งกว่าความกลัวซ่าของเจ้าขอนท่านพระพธเจ้ทาท่านจึงสอนท่านทรงรู้สรงเห็นถึงขนาดนั้นแล้วนํามาสอนพวกเราให้เห็นภยัยให้เห็นเรื่องของตัวเองว่าเป็นความทุกข์ยากลําบากเป็งไรแต่ภพชาตินึ่งๆออกมาเกิดเป็นเพียงมนุษย์นี้ก็มาสู่ทลายนักไอภพชาติอื่นๆหนึ่งเลย ที่มันน่ากลัวแลือเกินน่าขยะแขยงความทุกข์ความลาบากทรมานเอาทถาว่าเขาเป็นไปได้อีกเราจะตกนรกตกมาอยู่ที่ตรงไหนเป็นซากเปรตซากผีอะไรก็ตามให้มาเป็นซากอะมองเห็นไว่กาเนื้ออีกด้วยแล้วยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายอีกนี่ก็เพราเรา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 อัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้เท่านั้นนี่นี่ก็เป็นกําแพงอันหนึ่งที่กั้นมให้เราสามารถมองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยสําหรับตัวที่เคยไปแสดงไว้แล้วก็ทําให้เกิดความประหม่านอนใจถึงับว่าตายหน้าสูงไปละอะไรเนี้ยเขมีจํานวนมากเพราะมันไม่เห็นก็สุดยุสัยที่จะว่ามันมี อย่างน้อยราควรเชื่อผูรู้ผู้ฉลาดดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติตนนี้ก็ชื่อวเป็นผู้ช่วเชว่อผู้รู้ผูฉลาดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็นมีตาอันยืดยาวมีตาอันแหลมคมได้ แ, แก่ขยานคือพระพุทธเจ้าเป็นตน้นที่ทรงพระนามว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้จนเรพบเรื่องค่าของสัตว์เกิดที่นี่ตายที่นั่นแลเป็นม า, ากน้อยเท่าไรถึงเราจะไม่รู้จํำไม่ได้ก็ต่างแล้วประมวลมาสู่ ความปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละที่เคยเป็นนักโทษมาแต่ก่อนว่าอย่างนั้นเลยมันจะไปเที่ยวฉกเทีลักจะปล้นเที่ดมวัดตูงยิงขวงเงินทองแล้วไปเที่ยวฆ่าปูกค่ะคนที่ไหนมาก็ตามเถอะมันนับมาได้ก็โจรหัวโจมมันลูนามมาตั้งแต่วันเกิดมันุษย์อยากเดินสาภาวะทําแต่งานอย่างนี้มาทางนั้น งั้นจะจําได้ยังไงแม้แต่เจ้าของมันเองมันยังจําไม่ได้ที่มันเคยทําำแบบนั้นแต่เมื่อจับตัวได้แล้วก็ให้ทราบว่าตัวนี้แหละคือตัวหัวโจวกไปเชื่อทําสินทั้งหลายเหล่านั้นจับเอาตัวนี้แหละใส่คุกใส่สลาวไม่ต้องไปจับเอาเรื่องเอาลาวที่มันไปทำอย่างนัน้นนี้เราก็ไม่ต้องไปจับเอานู่นแหละที่เกิดมากที่พบที่ชาติที่มันเป็นเรื่องผ่านมาแล้วแต่มาจับเอาตัวปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมอยู่ภายในจิตใจนี้อาฝุกทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยายามแก้ไขตัวเป็นพิษเป็นภัยที่คอยแสดงก่ออยู่ทุกเวลามีลนะักณภาในใจของเรานี้ด้วยสติปัญญาของเรานคนชุดเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมาโดนท่าโดนขันก็ห้อประมวลมาในท่าขันของเรานี้ เวลานี้มีทุกข์มากน้อยเพียงไรตั้งแต่วันเกิดดวมาะตังถึงบัดนี้ธาตุขันอนี้แสดงความทุกข์มามากน้อยเพียงไรก็เต็ม้าเต็มขันเต็มตัวตลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้เดี๋ยวเต็มตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ที่จะเป็นในข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทํามนองที่เป็นอย่างนี้เอง ที่เป็นมาแล้วก็เป็นทางน้องที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั่นก่อนที่เป็นสัตว์ต่าต้อยสัตว์อาภัพอย่างนี้ลักะมีมากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้อย่างไงก็ให้ประมวลมาว่าคือเรื่องกองทุกข์คือเป็นสาเหตุมาจากความกดแก่เ จ, เจ็บตายนี่แหละเป็นสําคัญและก็คือเรื่องของที่เลดาราชเนี่ย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 โดยเถ้ากองทุกข์จากธาตุจากขันธ์อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจนาและเป็นหินลับปัญญาอยู่ในตัวจิตใจเจริญมีความป่องใสโดยอาศัยธาตุขันธ์ซึ่งถือว่าเป็นกองทุกข์นี้มาเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเ ย, ยี่ยงจิตใจด้วยการพิจ น, นาโดยทางปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตุขันธ์เนี้ เป็นตุยหรือเป็นหินหลักสติปัญญาให้คงกระดัเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้หรอกขอบคิดแล้วความพ้นทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดสิ่งเหล่านี้เอ ง, อ ง, ออนนเงก็ง 5, จ, จกนนะติดอย่างอื่นใดอันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายัองเราก็ติดขันห้านี่ยะติดขันห้าติดใจเจ้าของันยังไปติดอย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่มรู้ขันห้า แล้วมันก็ไม่พ้นที่จะรู้ต้นเหตุเรือ ล, ลากเงาเข้ามูลของมันไม่ได้ได้จะใจรูตัวไหนถ่านดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อมันก็เห็นความจริงจากสิ่งนันนั่นบรรดาอาการทั้งหลายที่มีในร่างกายของเรานี้ถ้าดูด้วยความผิวเผินดูสักแต่ว่าดูมันก็ไม่ค่เกิดปัญญานอกจากจะเกิดความลำคาญแบนั้น เพราะนั่นเป็นเรื่องของโลกดูแบบโลกดูแบบธรรมผิดกันดูแบบธรรมดูด้วยความจดจอ่อดูด้วยทัตดิด้วยปัญญาอุบายต่างต่างต้องเกิดขึ้นจากการดูในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเกิดความฉลาดแห้มคมและฉลาดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายแล้วนี้ได้ด้วยการดูแบบที่ว่านี้จิตกับอัก ธาตุข้าขันนี่มันค้าเข้ากันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีกิเลสเป็นผู้ร้อยละเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้คือธาตุขันของเราดูมันทุกระยะทุกขณะพิจารณาถึงความตั้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นหาิเป็นชายและกําหนดพิจารณาถ้งความส่วนความสลายลงไปถึงธาตุขันนี้คือบอก คมเกิดขึ้นความดับไปหรือความตายความสลายลงไปจนมีความชานิชํานาเราไม่นับเที่ยวแต่เราถือเอาความนนชำนิชํานาความคล่องแคล่วของจิตใจได้เห็นสิ่ง น, นี้ตามหลักความจริงอย่างจริงใจมีเป็นผลเกิดขึ้นจากการพยิจายนณาดูแช่ ดเูเพียงผีเผยดูศักแต่ว่าดูดูแบบโลกโลกดูแบบจนแบบจำปลายแบบอะไรครงคงคงการไปอะไรยงั้นไม่เกิดประโยชน์เพราะนเป็นแบบโลกไปเสียถ้าแบบทำแล้วก็ต้องดูให้เห็นตามความจริงของสิ่งที่จริงและมีอยู่ภายในตัวขอ ง, งเรายังไม่แต่ก็กำหนดให้มันแตกได้ระวางกำหนดให้แตกลงไปตั้งขึ้นมา เพะเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันี่ตั้งขึ้นมากับแตกไปนี่ผสมกันขึ้นเป็นรูปเป็นกายแล้วสลายตัวลงไปเป็นดินเป็นนักเป็นลมเป็นไฟนี่เป็นหลักธรรมชาติของของสิ่งอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะจิตเป็นเจ้าตัวการเนื่องจากความมุ่งหวงของตัวเองพ้าให้เป็นเช่นนั้นจึงต้องในอกปรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการณ์ คิดถึงเวลากล้าหาญกล้าหารเช่นเดียวกับความขี้ขลาดากลัวนั่นแหละไม่ผิดอะไรกันนะครับกลัวก็คือว่มากที่สุดสิ่งที่สัตว์โลกกลัวก็คือเรื่องความตายไม่มีสัตว์ตัวใดจะมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้เลยทว่าโลกดินแดนมีความมีความตายเป็นสําคัญที่ยังจิตของสัตว์โลกให้กระทบกระทืนหรือชอกช้าอย่างหนักได้แกความกลัวตาย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 เป็นความขยาดจิตใจความกล้าก็เป็นความกระเพื่อมความขยาดจิตใจไปชนิดหนึ่งความไม่มีกล้าไม่ความไม่กล้าไม่กลัวเพราะความรอบคอบโดยสมบูรณ์แล้วนั้นไม่มีจิตใดมากระทบกระเทือนไม่ไม่มีความกระเพื่อมจิตจะต่อจิตใจเลยนี่เป็นสภาพที่ปกติจริง้งร้อนนี่พิดกันหน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 สายทางที่เดินอยู่ในวัฏฏะของสาลนี้แต่เมื่อได้พ้นแล้วคําว่าบุญและบาปก็ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมว่าบุญยับปลาปะปะหินับุคคลได้แก่พระอราหันต์ท่านผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วนานคำว่าบุญก็เหมือนกับสายทางเดินของเราเราต้องการไปถึงจุดใดทางมีความจําเป็นต่อการ เดินของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดความหมายหรือหมดความจําเป็นไปคำว่าบุญนี่ก็จงถึงเราจนกระทั่งถึงมิหมดบุญกุศลที่เราสร้างมาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราจนกระทั่งถึงมิหมดคือความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วคำว่าบุญและบาปซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันทั้งสองเงือนก็ผ่นันไปเอง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 เกียดอาหารอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความอิ่มพอในท่าขันแล้วมันก็ปล่อดกันไปเองโดยหลักธรรมชาติทังหมดนี่คําว่าละบุญก็เป็นอย่างนั้นสชนบาปคือความเศมองในตั้งใจตั้งใจตะตตั้งใจถอนต้นเหตุทั้งหมนคืออะไรมันทําให้เกิดเป็นบาปขึ้นมาเป็นความเศร้มองขึ้นมานี่อะไรเป็นสาเหตุแก้สาเหตุมันเมื่อแก้สาเหตุลงไปได้แล้วความเศอมองซึ่งเป็นผลมันก็ดับไป การแก้เหตุแก้สาเหตุแห่งความชั่วทั้งหลายให้ความสมองขึ่นไปนั่นก็คือกเป็นการสร้างกุศลภายในตัวคือความฉลาดขึ้นมา ม, นมีความฉลาดนั่นก็แก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อความฉลาดพอตัวแล้วก็แก้สิ่งนี้ดได้สิ่งนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วความความฉลาดก็หมดความหมายไปเองคือมันผ่านมันไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนดังคําที่ว่าชาติปัญญาอย่านี้เป็นต้นเป็นเครื่องมือทํางานแก้กิเล็กทุกประเภทจะ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 เป็นเครื่องมือฟังท่านพูดไว้เป็นไรสมาธิสามารถสรถังกโูเป็นต้ น, นเป็นมนัชฟังระหว่างมัชมแปลว่าอะไรแปลว่าทางเดินหรือเครื่องมือทํางานเพื่อแ ก, ก้กเลยทางเดินของจิตนี่เป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามปลอดภยัยเป็นมัชชิมาเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงามทุกสว่วน ถูกต้องในการแก้กิเลสตัญหาอาสวะทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดจะเหมาะสมหรือเหมาะที่สุดยิ่งกว่าเครื่องมือคือมักแปะนี้เนี่ยและเป็นทางตรงแนวต่อมาผลิพทานก็คือทางสายนี้ชี่กว่ามัชชิมาเนี่ยแม้เช่นนั้นเมือ่อถึงจุดหมายปัทางแล้วคำว่ามัชชิมาซึ่งเป็นขนทางนี้ก็หมดความหมายเอง พอ ถ, ถึงที่แล้วใครจะไปกรอบโคยหรือแบกขามโอนทางไปแบบไปหลับเป็นไปตามความคิดเนี่ย ท, ที่ธนว่าค์บุญนาบปาปะไ ป, ปหน้าบบุคคลคุณบุญนาบบันนาเสียแน่ลละแบบนี้เองในชัยละแบบต่างใจสลาดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะว่าหวาเสียวน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะไปกลัว้นทาง ถาจะเบี่ยดทุนทางทางไปที่เดินไปแต่เมื่อไปถึงที่แล้วมันก็ผ่านกันไปเองหรืหมดความหมายกันไปเองอย่างนั้นต่างหากที่ใจิตก็เดินสุดทางอยู่ถ้าว่าจะอยู่ถ้าว่าอยู่ด้วยความเมื่อสุดใจนะถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความเมื่อสุดใจ ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจรู้อยู่ด้วยความบริสุทธิ์ไปด้วยความบริสุทธิ์ทุกอาการไม่ไม่ไม่ละความบริสุทธิ์จิที่บริสุทธิ์ละเป็นเช่นนี้นี่คือจิตที่ที่ผ่านพ้นจากภัยตั้งหลายแล้วหมดด้วยใหญ่เ่ยทันทนีวิเศษ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 อม่มีอะไรกำเริกเพราะฉะนั้นเริ่มถากขันจะแสดงไปเป็นตามอาการของมันในลักษณะใดก็ทราบตามลักษณะนั้นๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของของขันที่มันคนไม่ไหวมันสลายตัวลงไปก็สราบมันสลายตัวลงไปไอ้เจ้าผู้บริตัวผู้บริสุทธิ์ก็อมกมาจะสลายไปตามท่าทำขันขึ้นเป็นตัวสมมุติผู้เป็นวิมุตติก็เป็นไปตามวิมุตติผู้เป็นสมมุติก็เป็นไปตามสมมุติของเขาเนี่ย ทางอันก็กินเหมือนาันนี่แหละประมวนเรื่องความเกิดความตายทั้งหลายมามากมาน้อยจำได้มาได้ก็าตามให้ประมวน ล, ลงมาในธาตุขันธ์ของเราของทุกทั้งมวลที่เคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติต้ประมวลลงมาในกายในจิตทั้งเราที่กำลังปรากฏอยู่เวลานี้และแก้ไขกันลมที่จุดนี้ จนให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งธาตุทั้งขันทั้งจิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งไม่จนกระทั่งไม่มี อ, อะไรเหลือเป็นสิ่งที่ได้รับอยู่ภายในจิตใจให้ลุกหลวงอีกเลยก็เชื่อเป็นผู้รู้แจ้งแจงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายรู้เป็นโล ก, กวิถูรู้แจ้งโลกภายในขันของตรโลกคือขันรู้แจ้งโลกคือขันนั่นนี่แล้วก็หมดปัญหา ปัหาเรื่องความทุกขความลำมากที่จะเคยเป็นมาอยูกก่กับอยการก็มายุติกันลงที่จุดนี้ในเดิมที่จะเป็นต่อไปข้างหน้าต่างพบงต่างขาดเกี่ยวกับจองอปาช้าเกิดแก่เกิดกายในสถานที่ น, นั้นพบนั้นพบนี่ก็หมดปัญหาลงในปัจจุบันาานักกิจที่เบริอสุดและด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องชำหนะา เ, เริ่มก็ยุติเพียงเท่านี้และการแสดงก็ยุติเพียงตอนนี้เอารักเอวังมาถึง น, นี้แล้วไม่มีทางไป รู้เรเืองราวที่เกิดมารู้แก่ไปยังไงแล้วก็รู้พลังถอยลงไปขนาดไหนก็รู้ฮะเรนไอ้ตัวรุ่ตัวนี้มันมเป็นไตรลักษณ์หรือเป่ามันจะเสื่อมลงไปได้อ๋อ ม, มันมันมีสิ่งที่เป็นายรลักษณ์อยู่ในมันนั้นึราเราถึงพูดได้ว่ามันเป็นกตรลักษได้ สิงที่แท้ส่งนั่นคือสมมติที่เล็กแม้นิดนึงก็เป็นสมมุตินั่นแหละคือใจ ร, รักที่กินว่าเจริญขึ้นนิดสัมบลงเนี่ยตามอาการทังจิตทั้งสายดีสาชัว่วมันมีอยู่ายในจิตช่านว่าจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นนี่ก็หมายถึงว่าจิต ม, มันค่อยอาการทังจิตค่อยดีขึ้นนะมันแสดงความกระหว่างกระจา่างแจ้งมานี่เห็นชัดโดยลำดับดับลุกผ่องใสไปโดยลำดับดับนี่นี่เป็นอาการทังจิตทั้งนั้นแต่เราต้องเดินตามนี้ไม่เดินตามนี้ไม่ได้เพราะทางอย่างนี้ เาจึงพยายามให้มันจะเลยขึ้นเรื่อยๆพราะมันจะไปถึงจิตมันจะต้องไปแบบนี้ไปแบบอื่นไม่ได้เนี่ยังต้องบอกว่าจิตเวลานี้จิตเจริญเวลานี้จิตเสือ่อตัวจิตจริงๆถึงจะไ ม, ม่เจริญไม่เสื่อมก็ตามแต่ว่าเราจะสามารถเอานั้นเอาไม่ได้เนี่อยอันนี้มันอันนี้อยู่รอบตัวของขจิตจึงต้องแก้ไขตรงนี้เข้าไปเรียกว่าจิตนิจไรลักเพราะถิ่นอนิธาให้มีเข้าใจ มันหมดเดี๋ยนี้แล้วอาการก็เป็นอาการที่แบบมันดีมันช่วงมันมีมันหมดทั้งหมดตัวอาการที่ส่วนเข้าฝ่ดีไปชั่วเ้าที่พูดแต่ยี่ห้อปลาปะเป็นเงาบุคคลคุณยะปลาปะเนเงยบุคคลบุญฝ่ายดีปลาปะแปลว่าบาปสายเจ้ามองที่ฐานให้เกิดความทุกข์เพราะมันผ่านนี้แล้วซึ่งเป็นอาการที่จะให้เกิดพ็ให้เจริญให้ส่วนเนี่ยมันสองอันนี้มันเป็นคู่แข่งกัน บาปกบุญเนี่เป็นคู่แข่งเพราะทั้งสองเนยันข้าวากกิจพเนะเย็นนี้มันก็หมดคําที่ว่าเจริญไม่เสี่ยงหมดเลยเพราะมันมีสมมติเข้ไปแทกเลยมันก็มันพูดไม่ได้เลยถอาจจะเจริญไม่เสือมเพราะมันไม่เจริญไม่เสื่อมนี่นันเข้าตัวพอแล้วเนว่าพอถึงขั้นมัจจิมาในหลักธรรมชาติจอีกถ้าพูดถึงหนึ่งเป็นสายผลแล้วก็นี่ยคือหลักมัจจิมาผลในหลักธรรมชาติเืวบผลแห่งมัจจิมาในหลักธรรมชาติ ฝ่ายมากนี่เดินเข้ไปเดินเขแต่ก็เป็นมัจจิมาคือศูนย์การให้ตรงแน่วต่อกุดหมายอันนี้พอถึงจุดหมายอันนี้แล้วอันนี้ก็เป็นมัจจิมาในหลักธรรมชาติคือมัจจิมาในไ่ายผลโดยหลักธรรมชาติสดที่ว่ากิจที่มันเสริมไปอั่นถึงจะเดินไปนี่งดคือจะพูดไดถึงเรียกว่าอาการเียกอาการเรียกกิอาการเ ร, รียกกรรมคือกิจที่ครับไม่มีเวลา นาทีอะไรเขาจะเก็บยข้องเลยพ้ามีการสถานที่เขาจะเกี่ยข้องกูยังงสงัดเงี่ยบนั่งดีเวละกลางวันนี่เดินดีกว่านั่งอ้อรัฐภาพเป็นไรฉันหันแล้วไม่ได้นั่งมันจะดีมากเกินไป้อ็พามันเดินนั่งมันง่วงว่าไงต้องเดินขนา้างนอกตอนคืนหรือสงัดนี่ มากเลยคดอจิตมันแน่ว้าตนช้นมันพักนี้มันแนวถ้าเราชิพินาทางด้านปัญญานี่มันก็หมุอนมันละเอียดและออกมาผู้ศึกมันซึมราบมันซึ้งไปทุกแย่ทุกมุมของปัญญาไม่ธาดุานมมันมันนก็เบาตอนมนั้นธาดุานมันช่วย